นั่นเป็นการปราบเบื้องต้นปราบความเห็นผิดปราบความดื้อของจิตในเบื้องต้นปรามจิตในเบื้องต้นว่าไม่ให้จิตนั้นถลํา ล, ล้าลึกไปจนถึงตัณหาไปถึงโทสะไปถึงความลุ่มหลงเนาะพอไปพิจารณาอย่างนี้ก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นโอ้เนี่ยเริ่มเข้าใจการตั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะเขาอัธยาศายเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะอัธยาสายตรงนี้เริ่มชัดเจนขึ้นต่อไปไม่รู้เพียงแค่นี้แนละ้วแต่แสดงให้เห็นชัดว่าเราผ่านมาสองขั้นตอนแล้วนะขั้นตอนแรกก็กสัตว์บุคคลไม่มีแล้วเนาะ ขั้นตอนที่สองก็คือสามารถการกําหนดขัดเครื่องลุ่มหลงได้นี่เริ่มเริ่มยิบยิมได้หน่อยนี่นะแต่ไม่ควรวางใจเนาะแล้วก็ไข่คุนต่อไปตรงนี้ก็เริ่มเข้าเข้าใจถึงเหตุและปัจจัยของเขาดังที่ได้กล่าวใช่ไหมว่าวิบากแล้วเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอยู่แล้วว่าเออมีรู้จากคําว่าเป็นรูปเป็นนามก็จริงอยู่แต่มาจากเหตุอะไรผลอะไรกําลังดําเนินไปอยู่เนาะนั่นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเหตุของจักรคุ ญ, ญาณและเหตุของจักรคุ ญ, ญาณไม่ได้มีแค่เพียงแค่ตัณหา ไม่ใช่มีแค่กรรมไม่ใช่มีแค่อวิชานะยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาเนภาษาในปัจจุบันนี่นะจากขุสัมภาษาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะเออเป็นปัจจัยของจักรุ ญ, ญาณเนี่ยการประชุมของธรรมสามประการเป็นปัจจัยเกิดจากคุ ญ, ญาณเนี่ยเออเพราะภาษานี่เองนะโอ้ภาษาเนี่ยถ้าแสดงภาษาที่บอกว่าผู้ได้จ้าบอกแสดงแบบเลยเนะียที่บอกว่ามีทั้งวิ มีทั้งลักษณะตั้งแล้วก็มีทั้งในลักษณะการจําแนกใช่ไหมเปิดเผยเพราะเปิดเผยในคือครั้งแรกพระเจ้าเปิดเผยอนี้คือจากขุญญานนะพราะเปิดเผยตูมเข้าไปอ๋อจากขุญญานนั่เขาก็จําแนกใช่ไหมเปิดเผยพวกก็จําแนกจําแนกว่าจากขุนยานเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากปจาัจจัยนะ จกักรวิญญาณนี่เป็นเป็นนามธรรมนะเป็นจกักเป็นวิญญาณนักขันเป็นมานายะตนะเป็นจกักรุญาณธาตุโอปราศจากเริ่มเลยนะเรื่องการจำแนกแหละเรื่องการจำแนกเรื่องการแจกแจงที่จำแนกแค่นี้สัตว์บางพวกโอ้โหทะลุทะลวงเลยเนาะแต่สัตว์ประเภทในญาบุคคลปะทัพรมาต้องทำให้พิสดารว่านั้นนะท่านก็ใช้แบบประเภทที่ว่าเปิดเผยไม่พอจำแนกให้บท่านใช้คำว่าทำให้เป็นไปทำให้เป็นไปก็คือการจำแนก ทำให้พิสดารยิ่งยิ่งไปทำให้พิสดารเขบอกว่าเออจกักรวิญญาณเนี่ยนอกจากจะมีอวิชชาตัญหกรรมเป็นปัจจัยเป็นเหตุแล้วยังไม่พอยังมีภาษะแล้วก็คือการเกิดขึ้นของจกักรวิญญาณเป็นต้นแค่นั้นไม่พอนะเนาะจักรวิญญาณยังต้องอาศัยสปัจจัยอีกเอยกเ ground. อะจักรวิสัตต์เออต้องอาศัยจักรวิสัตต์โดยความเป็นปุเรชาตปัจจัยเออจกักรวิสัตต์เกิดมาก่อนตั้งอยู่ยังไม่ดับไปเป็นที่ตั้งอาศัยของจักรวิญญาณ เป็นปุเรชาติินธรียปัจจัยเนาะบอกอ๋อจากคุญาณเป็นจากขุนรีเนี่ยเออเป็นเกิดก่อนด้วยเป็นที่อาศัยไม่พอยังเป็นจากขุนรีให้กับจากคุณญาณเป็นต้นด้วยพอบอกเป็นอินทรียแล้วยังไม่พออีกเป็นวัตถุด้วยเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยาปัจจัยอ๋อเป็นจากขัตถุไงแล้วเกิดก่อนด้วยแล้วเป็นที่อาศัยกับจากคุณญาณด้วยนอกจากจะเป็นวัตถุปุเรชาตานิสยาแล้วยังไม่พอใช่ไหม ยังเป็นวัตถุปเรชาตะวิปยุติโอเข้าเป็นวิปยุติกระ น, น้ำโดยเนี่ยเนะี่ยก็ไปพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มเห็นกระแสก็มีจักคูปุเรชาติยังมีอยู่นะจักคูปุเรชาตวิขตะก็ว่าไปตามลําดับนี้นะวัตถุปเรชาตะ ว, วิขิตเนี่ยก็ไล่ไปตามลาดับโอ้นี่เริ่มเห็นปัจจัยนะที่นี้นอกจากจักคูเนื้อเขามีปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะสําหรับบุคคลที่ต้องการความวิจิตมากขึ้นใช่ไหมต้องวิจิตไม่เข้าใจก็นี่เขามีสัมผยุะแตปัจจัยเยอะนะ มีเวทนาขัานเกิดร่วมเขามีวิญญาณนะครัมีสังขาระขันเกิดร่วมมีสัญญาขัานมีเวทนาอยู่ในนั้นด้วยเบ็เสร็จอ้ยสมยุท ธ, ธรรมของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าถามอย่างนั้นเนะี่ยังบอกว่าเออถ้าเริ่มนี้เข้าใจแม้ตัวจักคูวิญญาณก็เป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยและจักคูวิญญาณนั้นเป็นเห็นรูบาลม ไปรู้รูปารมรูปอารมก็เกิดจากกรรมก็มีรูปอารม์ที่เกิดจากจิตก็มีรูปารมที่เกิดจากอุตุก็มีรูปารม์ที่เกิดจากอาหารก็ดีเออเกิดจากสมุธานทั้งสีนะที่รูปารมณ์ที่จากขูวิญญาณเห็นนั้นรูปารมก็เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยจากวิญาณก็เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยอยเลยใช่ไหมอย่างเช่นคนบางคนยิ้มแล้วเราก็เห็นรูปารม์ท่านบุญนั้นอ๋อจากจากจิตเป็นเป็นปัจจัยก็ได้ไหมรูปารมชิ้นนั้นนี่ย วัตถุชิ้นนั้นนะ่ะนั่นในขณะเดียวเกิดจากกรรมก็ได้บางคนหูหน้าตาเศร้าหมองบางคนหน้าตาเพีวพอกไปอ้องแผ่ว อ, อ, อ, อะไรก็ได้แต่เนาะก็จากอาหารบ้างจากอุตุความเย็นความร้อนก็เริ่มเห็นปัจจัยทั้งสองส่วนถามว่าพอไหมเห็อไหมถ้ายังไม่พอก็เชื่อมโยงบอกว่ามีจักรคู่สัมพัสสะเป็นปัจจัยอะมาเชื่อมโยงท่านบอกว่าทําให้วิจิตขึ้นไปคือท่านยกอุ ป, ปมาบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายไม่เห็นจักรคู่ ไม่เห็นจกักรูญิานเป็นของร้อนเธอเชื่อมไปหาจาักรูสัมผัสให้เห็นภาษาเป็นของร้อนนะ่ะท่านอุปมาแมโ่โคถลกหนังออกมาเลยนี่เอาอุปมามาแล้วอยากไม่เห็นนี่นักอุปมาตโตมเลยใช่ไหมถลกหนังแม่โคเนี่ยภาษาเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นนะเจ็บปวดอย่างนั้นแหละก็ภาษาที่เป็นสังขารละขันเกิดร่วมกับจกักรูญิานยังปวดเจ็บปวดขนาดนั้นจกักรูญานจะเหลือหรือไงเนี่ยนะก็ลายเป็นของร้อนขนาดไหนก็ลายไปทําลำตัว ก็มีอุปมาตามมาเยอะเลยอในนีน้นั่นแหละคือการชักอุปมามานั่นคือพระพุทธเจ้านั้นชํานาญในนิโรติปฏิสะมิธาด้ว ย, ยการอย่างนี้นะแล้วก็แทงตลอดโอ้โหเห็นด้วยความเป็นทุกข์เลยต่นี้เบื่อหนายในจากจากัจกขู่วิญ ญ, ญาณจากักขู่สัมผัสสะอะไรในนี้นะก็เริ่มเบื่อหนายนี่เริ่มมองเห็นใช่ไหมนี่จะไปลักษณะมุมอย่างนี้โลภขันพระองค์ก็ น, นู่นแล้วบุตรภรรยาสามีภรรยากินเนื้อบุตรเลยก็ยกมาถ้าพวกจักขู่วิญ ญ, ญาณตั้งหลายก็ อุปมาไอตัววิญญาณนัขันนั่นแหละต้องปฏิสันที่วิญญาณและประวัติวิญญาณยังไงใช่ไหมเหมือนกับเหลายังไงเป็นหรือว่าตัวพวกโกกรรมทั้งหลายเนีท่านก็อุปมาอย่างไงเหมือนจับลงในหลุมฐานเพลิงไงจับโดดลงโดดลงไงนะเป็นต้นอะไรเนี่ยก็ก็ไล่ไปทํานํานี่ท่านก็จะชักอุปมามาอย่างเงี้ยนี่คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมในอัฏฐะและไปยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ยังไม่มีความจําเป็นในการที่จะไปเอาอุปมาอย่างอื่นหรือจะไปเอาไปไปบัญญัติอย่างอื่นเลยเนะี่ยเพราะบริบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่เราเชื่อมโยงสูตรให้ได้นะถ้าคุณเชื่อมโยงสูตรต่างๆมาแปะกันไม่ได้เนี่ยคุณมีปัญหาในการไขข้ออันเชลยนิพพานอันนี้ก็เป็นไปด้วยการอย่างนี้พอมองเห็นเนาะนี่ไปได้ไหมถ้าอย่างเนี้ยอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่ไหวโ ย, ยงเลยนะ ก็เป็นไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ใ น, ในการในการเชื่อมในคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยทุกครั้งเนี่ยอย่าแปลกใจนะว่าเขาจะพิจารณาโดยมุมไหนโดยแง่ไหนโดยลักษณะไหนก็ได้แต่เมื่อเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็จะไปลงปัจจิตตลักษณะแล้วก็สามัญยลักษณะด้วยความไม่เที่ยงทีนี้ให้สังเกตดูนะตั้งข้อสังเกตวิปัสนาที่เราไปใ่้ควรหรือที่เห็นกันมาอย่างมากมายคือเป็นวิปัสนาที่เห็นเฉพาะความแตกต่างในปัจจุบันนภะ แต่ไม่เคยมีวิปัสสนาเป็นไปตามพระธรรมของพระเจ้าว่าเมื่อปัจจัยไม่เที่ยงนะ่ยผลก็ไม่เที่ยงปัจจัยเป็นทุกผลเป็นทุกปัจจัยเป็นหนา้าตาผลเป็นหนา้าตาไม่เคยเชื่อมโยองอย่างนี้แล้วก็ที่เห็นเฉพาะว่าแตกดับเฉพาะในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องไปไข่ควนว่าอะไรจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาในบ้านเราจึงหลุดลอยมาจนเหลือแต่ปัจจุบันในขณะกันยินทุกวัน ไม่สามารถเชื่อมโยงอดีตว่าเป็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาอย่างไรอนาคตจะเป็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาก็เลยมาถกเถียงกันว่าเป็นอนุมานวิปัสนาบ้างอะไรบ้างก็บอกไปไม่ให้เป็นแปดจักขยานก็ต้องไปนั่งคุยกันนี่ะก็นั่งไปนั่งคุยไปวิจัยว่าจริงๆอานิมาไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นหรือทัศนคของอานมาทัศนคของอานมานี่เป็นไปตามพระธรรมคำสอนว่าสิกขาสามคุณบริบูรณ์อยู่มั้อานมาให้ความสําคัญตรงนั้น ไม่ค่อยให้ความสําคัญในอารมณ์ถ้าสิกขาสามเดินแล้วจกไม่ลุ่มหลงในลมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยอันมาจะเน้นตรงนั้นถ้าไปเน้นว่าแม้เน้นปัจจุบันแต่คุณมันจะการผิดปัจจุบันคุณก็พลาดอันมาเน้นตรงนั้นเล ย, เ, ยเพราะเน้นตามพระธรรมคําสอนเพราะในพระธรรมคําสอนไม่ได้เน้นตัวหลรมเน้นสิกขาสามก็เลยก็เล ย, ก, เล ย, ก, เลยก็เลยจุดต่าง ทั้งทั้งทั้ ง, งเรื่องเดียวกันมานั่งคุยคนละมุมกอยู่เนี่ยฮันน่าคุยกันแล้ไม่มีปัญหาแต่ว่าปรับความเข้าใจตามวระธรรมของพระเจ้าได้แต่โอนเอียงออกจากวระธรรมของพระเจ้าไม่เอาเออในตอนนี้นี่หลักการต้องชัดเนี่ยหลักการนี้ต้องชัดพระพุทธเจ้า ว, ว่าไงว่าตามท่านไปอัตถกาถาดีกาว่าไงก็ตามท่านอานิสบายนี่อันไหนที่ไปขัดพุทธพจน์เราไม่เอาไม่เอานี่นะถ้าอย่างนี้ก็เออสบายใจนะ ทีนี้ก็แล้ววิปัสนาของพระเจ้าไม่อึดอัดไม่ขัดเกลืองไม่ลุ่มลงใช่ไหมไม่ไม่อึดอัดใช่ไหมาำแล้วโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระแต่ไม่ใช่เรื่อยๆนะไม่ใช่ถ้าเรื่อยๆไม่ใช่ของพระเจ้าของเราอีกต่างหากนะเราไปเสริมความรู้สึกเองว่าเราจะทำวิปัสนาเรื่อยๆหรือจะปฏิบัติแบบเรื่อยๆแล้วก็ไม่แยกเลยเห็นไหมพวกเยอะท่านไม่แยกเลย นั่นพร้อมจะกลับเข้าเจริญสมถมะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อท่านอ่อนเอะแล้วเมื่อท่านแข็งแรงแล้วท่านก็ออกจากสมถะแล้วก็เจริญปัญหาทองถามว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วกําลังใจก็มีใช่ไหมแล้วความมั่นคงก็มีสัมมาสัมพุโทโธก็ชัดวิปัสสนาก็ชัดถ้าชัดในลักษณะอย่างนี้แล้วน่าเดินใช่ไหมเพราะการเจริญวิปัสสนาแล้วไปอย่างความผ่องเแผ้ว ไปอย่างความอาถานไปอย่างมีสารณะไปอย่างมีหวังไม่ได้ไปอย่างคนหมดหวังไม่ได้ไปแบบคนหลักรอยหรือไม่ไปแบบลมๆเล้งๆ เ, งเออไม่ใช่ไม่ใช่ไปอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องนาคิดก็ก็ไปคุยไปวิจัยไปไปไข่ควรไปพิจารณานีนี้เป็นอย่างนี้ส่วนในหลักต่อๆไปก็คือในออจากขูวิญญาณโซตาวิญญาณขานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนโนวิญญาณอันนี้คือเป็นกลุ่มของวิญญาณขันหมดเลย แจะบอกว่าโดยอายตนะอาจจะต่างนะแต่ไม่ต่างมนายตนะเหมือนกันแต่ว่าโดยธาตุเนี่ยจากคุณญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุในต่างเนาะเพราะเกิดคนละทวารกันคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุแล้วก็มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุพอไปถึงมโนธาตุก็ต่างอีกเพราะมโนธาตุนั้นเอาปัญจทวารวชนาการสัมปติชนะจิตสองมาวิจัยแทนส่วนมโนวิญญาณธาตุก็เยอะเลยเนาะ ทีนี้การวิจัยมโนยานาธาโดยความเป็นทุกขสัตว์ต้องเอาโลกิยามโนยานาตาเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องแยกนะอย่าไปเอามโนยานาตาทั้งหมดเพราะโลกุตระจิตก็เป็นมโนยานาธามโนยานาตานั้นไม่เป็นทุกข์สัตว์เป็นอะไรเอาเลยสิฮะจากโลกุตระมรรคจิตผลจิตนะมรรคจิตผลจิตนี่เป็นฮะ มรรคจิตเป็นโลกุตรจิตใช่ไหมแล้วเป็นสัจจะอะไรอ่ะตรงนี้ต้องนี่นะตรงนี้ต้องทําความตกลงกันให้ดีเสียเวลาไปเจริญแล้วจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวสัมมาสัมพุทโธไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ชัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็เออถ้าตรงนี้ยังยังไม่ชัดการเจริญก็จะสับสนเลย เออมรคจิตเนี่ยมรคจิตเนี่ยเป็นทุกขสัจจะไหมก็ไปวิจัยเงี้ยใช่ไหมทุกขสัจจะยิโรกิยาใช่ไหมเป็นสมุทัยสาัาจจะไหมไม่ใช่ตัณหาเนาะเป็นนิโรธสัจจะไหมไม่ใช่นิพพานอีนะเป็นมรคสัจจไหมมรคจิ ต, ตเป็นมรคสัจจไหมไ ม, ไม่ใช่องมมร๘เนาะใช่ไหมไหนใช่ไหมแล้วอย่างนี้เขาควรจะเป็นสัจจอะไร คําว่าสัจจะวิมุตต์แปลว่าอะไรก็ต้องมาดังคุยใช่ไหมขนาดว่าสัจจะวิมุตต์เนื้อไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ทุกสมุทัยนิโรธมากใช่ไหมแล้วเขาควรจะเป็นอะไรทีนี้ถ้ามองถึงในด้านของสังขารเขายังเป็นสังขารอยู่ไหมอ้าวเป็นหอไม่เนี่ยก็ต้องมาวิจัยแล้วเพราะทำนั้นมีสองประการไหมท้งสังขารและวิสังขารถ้าสังขารหมายถึงจิตแกจะสิกรูปนี่เป็นสังขาร ทวีสังขารหมายถึงพระนิพพานแล้วถ้าถามบอกว่ามรคจิตผลรรคจิตเนี่ยเ ป, เป็นสังขารไหมแล้วจะเป็นสังขารเนีเ่ยเติมสังขารประหลาดไหมเป็นสังขารแล้วเขามีปัจจาลักษณะในนั้นไหมมีไหมมีลักษณะเฉพาะตัวไห ม, มแล้วมีสามัญลักษณะไหมมีมมอนิจจังทุกขังหน้าตาในนั้นไหมควรรอบรู้ไหม ควรรอบรู้นะแต่ทําไมเอามาเจริญไมนะ่ได้เข า, าไม่เรียกว่าเป็นทุกขศาสตร์แต่เขาเรียกว่าเป็นทุกขธรรมธรรมที่เป็นทุกเข้า <IS C 1> ใจปะเขาไม่เป็นสังขารนั่นแหละเป็นสังขารและทุกนั่นแหละแต่ไม่เป็นทุกขศาสตร์จะกเข้าใจใช่ไหมเพราะเขามีความเกิดดับเขาเรียกเป็นทุกขธรรมธรรมที่เป็นทุกต้องรู้เขาด้วยลักษณะเฉพาะตัวก็ต้องรู้ สามัญลักษณะของเขาก็ต้องรู้นะก็ต้องรู้ตรงนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นปริทยาอ่อนจะต้องมาวิจัยกันก่อนในการที่จะเอามาโนญญาณธาตุมาวิจัยตรงนี้ก็เออเข้าใจเลยเนะี่ยว่าเข้าใจตรงนี้แล้วก็โอ้ยเนี่ยจะได้เริ่มเข้าใจแล้วก็มาวิจัยได้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 ปตรงนี้ก็พอเข้าใจตรงนี้เบ็เสร็จแล้วก็นั่นคือพวกจกักรุญญาต่อมาพอจักเจ า, จาเะพอะมโนญาณเนาะมโนญาณอันนี้แปลว่าว่าโดยความเป็นธาตุประการต่อมาคือว่าภาษะจักรุสัมผัสศโสตรสัมผัสศาสานะสัมผัสศาชิวหาสัมผัสกายาสัมผัสแล้วก็มโนสัมผัสอันนี้ก็คือภาษาเจสิกหนึ่ง ในภาษาต่างๆเหล่านี้เป็นสังขารขันเป็นธรรมายาธนาเป็นธรรมธาตุเนี่ยตรงเนี้ยเขต้องวิจัยได้อย่างเงี้ยนะคนที่เขาวิจัยอย่างนี้แล้วก็เริ่มคล่องเริ่มคล่องแล้วก็เหตุรู้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยและตัวเขาเองเป็นเป็นในลักษณะยังเกี่ยวข้องกับการแกุธวาลยังไงโสตทวาลกันนัวาลชิวหาทวาลกายทวานแล้วก็มโนทวานนี่ก็มาวิจัยลงเป็นทุกขสัตว์ยังไงตัณหาที่เป็นปัจจัยเกิดเป็นสมุทัยยะสัจจ์ ความไม่เป็นไปของสมุทรไทยและตัวของเขาเองก็เป็นนิโรธสัจจะปฏิปทายถึงนิโรธก็เป็นมรรคเนะี่ยก็ไปไล่ไปตามลําดับไปสาธยายกันที่จริงสาธยายก็ ก, ก็ก็ชื่นใจใช่ไหมสำหรับคนเข้าใจนะใหม่ๆก็มึนๆเนี่ยนะแต่พอสาธยายไปสาทยายมาก็เริ่มเข้าใจชัดขึ้นอันนี้คือภรรษาต่อไปก็คือเวทนาจากคุณสมภัสสชาเวทนายไหมทำไมต้องใช้คําว่าจากคุณนำเนี่ เขเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากักรคูสัมปัสสะใชหทีนี้ผมมองถึงเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากักรคูสัมปัสสะถ้าว่าตามในยะของพระสูตรเอาเวทนาเท่าไหร่เอาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาแล้วก็เอาเบคขเวทนาเพราะท่านหมายเอาเวทนาในโชนะเพราะในชาวนะนั้นน่ะจกักขคูสัมปัสสะจะมามุมไหนเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เวทนาได้สามเลย จะเป็นพวกสุขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้แล้วก็อุเบกขาเวทนาก็ได้ใช่ไหมเช่นเห็นอรูบารมปุ๊บมีการประชุมกันก้องทางตารูปจากคุญญาณจากขุสัมผสัสเกิดสมนัตได้ไหโทอมนัตได้ไหมแล้วเกิดอุเบกขาก็ได้ฉะนั้นตัวเวทนาเหล่านั้นก็เป็นทุกขศาสตร์หมดเลยนะเป็นทุกขศาสตร์หมดเลยเวทนาเหล่านั้นมีตัณหาเป็นสมูทยัยตัณหาในภพก่อนเนื และเวทน า, าเหล่านี้นะถามว่าเวทนานี้เป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมใช่เวทน า, าในชาวนะเป็นกรรมใหม่เกิดร่วมกันกันกบเจตนากรรมแต่เวทน า, าในจกักขุอิน ญ, ญาในสัมปติชนะในสันติระณะเป็นผลของกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่ า, กรร ม, กามีตัณหาในดีสร้าง ฉะนั้นเวทนานั้นเขาเป็นผลของกรรมในอดีตก็ได้ใช่ไหมเป็นนานาคณิกากรรมมาปัจจุบันก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวตัณหาที่บวกเจตนากรรมในอดีตนั้นเป็นนานาคณิกะกรรมมาปัจจัยที่เป็นกรรมที่ให้ผลต่างขณะเขาให้ผลในประวัติการให้ผลในประวัติการไปว่าให้เวทนาทางจักขุทวัน ที่เป็นจกักขูวิญญาณมีเวทนาเกิดร่วมแล้วก็สัมปติชนะสันติแล้วนะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายอบายาศาตร์ก็ดีเป็นนั่นก็คือแต่เขาให้อุเบกขาวเวทนานะเย้าให้อุเบกขาวเวทนาแต่เขาจะไปให้สมมานัสเวทนาหรืออุเบกขาวเวทนาในชั้นหลังจากชาวนะดับลงคือในชั้นของตาธารมณะและในชั้นของผวงถ้าในชั้นของปฏิสันธิกาเนี่ยเขาให้ทั้งสมมานัสก็ได้ให้ทั้ง อุเบกขาก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาให้โสมนัสเวทนาเนี่ยก็เริ่มยิ้มได้บ้างเพราะปฏิสนธิเราจะต้องเป็นมหากุศุนเน่ยนอนใช่ไหมใช่แต่ถ้าเขาให้อุเบกขาเวทนาแปลว่าเราได้ปฏิสนธิสองอุเบกขาสันติระณะอกุศลนนำปฏิสนธิในใบพุ่มเป็นสัตว์นรกเปตอสรกายสัตว์เดรัจฉาน หรือให้เวขาสันตินกะคุศนเป็นมนุษย์หรือเทวดาบ้าใบบ่อนห น, น, นวกน่ากลัวฉะนั้น <c oughs> ตั้หาบวกกรรมถ้าบวกกุศลรกรรมนะหรือเป็นกุศลกรรมอ่อนแอ น, นีนะ่มีวิชาปกปิดถ้าให้เวธนาในปฏิสิทธิการนะจะบอกคุณเอ้ยน่ากลัวมากขอร้องกันเลยท่านทั้งหลายจะให้ตอนในประวัติการก็ให้เอ แต่อย่าให้ในปฏิสนธิการแก่ข้าพเจ้าเลยไปแก้บนไปไปที่ไหนดีไปหาหลวงพ่อโซชนเพราะทำไว้แล้วว่าไงและกรรมตัวนี้ทำไว้แล้วจะทำยังไงดีไอ้ปฏิสนธิตัวนี้ฮะทำเรียบร้อยไว้แล้วนะ ปฏิสนธิที่เกิดร่วมกันก็อุเวขาสองดวงที่อุเบกขาสันติระนาณนี่นะในเหตุกาจิตเนี่ยทำไว้หลายโกดล้านขณะรอเวลาที่ลงงานอันนี้จะผลิตให้อยู่ฉะนั้นในมรณาสนาการณนี่นะเขาจะมานำเสนอตอนนั้นแหละตอนที่ใกล้จะตายเขาจะมาถามเราก็ซิบเราชอบไหม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 ยังพอจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างถ้าให้ในปฏิสนธิการเป็นสมานัยก็ค่อยยิ้มแย้มได้นิดยิดนิดหนึ่งนยเป็นมนุษย์ถ้าเป็นทวิเหตุก็ยังโอ้โหนะเป็นทวิเหตุประเภทที่โอมะโถมกะอมกะนี่ยุอ่อนสุดๆเลยเนี่ยเนี่ยประเทศที่ไหะอาิบดีไม่มีสักตัวเลยอ่อนแฮ้มากแล้วแต่จะเหตุการณ์จะพาไปเนะย ใครพาไปไหนไปหมดไม่ไปอยู่อย่างเดียวคือวัดนอกนั้นไปหมดเลยนี่เนี่ยนั่นตรงนี้ก็คือว่าให้เห็นไงให้เห็นกรรมให้เห็นกรรมที่เป็นไปนะให้เห็นกรรมที่เป็นไปทีนี้กรรมกรรมที่เป็นไปเนี่ยในขณะที่ปฏิสนธิการและในประวัติการเป็นไปเป็นต้นเหล่เนี้นะก็จะได้เห็นเวทนา ฉะนั้นเวทนาที่เป็นไปในปฏิสนธิการและในประวัติการในจกักรวิญญาณสัมปติชนสันติรณะนี้แปลว่าในปวติการเหมือนกันแต่เป็นเวขาเวทนาเนาะถ้าโสมนัสเวทนาในปฏิสนธิได้เวขาก็ได้แต่โทมนัสไม่ให้ถ้าจะระดับโทมนัสนี่ก็ให้ในิชวนะแต่ไม่ได้ให้โดยฐานะเป็นผลให้โดยฐานะเป็นอุปนิสัยปัจจัยเนะดันั้นอุปนิสัยปัจจัยของสัตว์โลกจริงต่างกันเนาะบางคนโกรธง่าย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 ฉะนั้นตัวเจตนาเป็นศาสชาตกรร ม, มะปัจจัยเวทนาที่เกิด